อทางหูทางจมูกทางทวารหนักทวารเบาในร่างกายเราก็มีแต่สิ่งปฏิกูลนี่มันหลั่งไหลออกอยู่ตลอดเวลานะมีแต่ของที่ไม่สะอาดทั้งนั้นเราต้องขัดสีต้องอาบน้ําต้องชําระต้องเช็ดต้องถูอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปล่อยนะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องอาบน้ําไม่ต้องชําระไม่ต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวเราลองปล่อยดูสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่สิ่งปฏิกูลนะเกิดขึ้น เป็นของไม่สะอาดอย่างมากมายเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าชี้บอกสาวกให้สาวกหรือพระมูสงฆ์เนี่ยให้ไปพิจารณาอสุภะบ้างพิจารณาร่างกายซากศพของคนที่ตายแล้วบ้างกําลังเน่าบ้างกําลังเปื่อยกําลังอยู่ในวัฏเหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นรัดดึงอยู่บ้างเนี่ยคือท่านให้มองเห็นร่างกายของคนอื่น ที่กําลังเน่าเปื่อยนั้นฉันใดในร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันมันไม่แตกต่างกันเป็นของไม่สะอาดไม่ควรรุ่มหลงมัวเมาไม่ควรเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในร่างกายอันนี้เนี่ยท่านสอนให้เห็นภาวะของร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดนี่ก็ส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยทําให้บรรเทานะความรุ่มหลงความมัวเมาเรื่องของกรมราคะเนี่ยให้มันลดน้อยเบาบางลงไปทําให้เรียกว่าอา ก, การด้วยอารมณ์ของ นิวรเนี่ยมันไม่ครอบงําสําหรับผู้ที่บําเพ็ญเพียรําเพ็ญภาวนาเมื่อสติของเรามันยังไม่ <c oughs> มีความสมบูรณ์ยังไม่เข้มแข็งยังไม่ได้ว่ามีความพร้อมเนี่ยที่จะรู้เนี่ยพวกเราเอามาช่วยในการที่จะแก้อารมณ์ได้ทําให้เราคลายความร่มร้อ ง, งมองัวเมาเกี่ยวเรื่องการราคะได้บ้างก็เป็นส่วนช่วยบรรเทาเท่านั้นเองทีนี้เรื่อเป็นเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นเรื่องรูปของร่างกายเนี่ย ถ้าเรารู้จักมองอย่างนี้เนี่ยก็เป็นธรรมะโยมธรรมะนั่นคือสัจจ ะ, นะคือความจริงถ้าเรามองอะไรที่มองถึงสัจจะมองถึงความจริงเราก็เห็นเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นปรากฏแต่ถ้าเราไม่พิจารณาก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามเป็นของสะอาดเป็นของหน้าใคร่หน้าปรารถนาแล้วเราก็รุ่มหลงโมเมาอยู่ด้วยความใคร่แล้วก็ทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นมากมายในอารมณ์เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงว่าเรื่องของธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของการทวนกระแสโยม ทวนกระแสโลกทางโลกเราอาจจะมองในสิ่งที่ร่างกายนี้เป็นของสวยของงามของสะอาดแต่ว่าในทางธรรมและท่านให้มองในแง่ของความปฏิกูลเพรไม่สะอาดทําให้เรานั้นคลายความรุ่มหลงคลายความเปลิดเพินคลายความมัวเมาอยู่ในร่างกายอันนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้เราได้แก้ปัญหาได้เปาะหนึ่งไปเพราะฉะนั้นการในเพ่งพิจารณาหรือการได้มีสติรู้อยู่ในกายอันนี้เนี่ยบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เราเห็น ะเห็นเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองได้ดีเรียกว่ามีสติอยู่ในกายเนี่ยมันได้ประโยชน์ตั้งมากมายอย่างแรกๆก็ได้เห็นความจริงของชีวิตที่มันกาลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะเห็นความทุกข์มันปรากฏอยู่ทุกขณะทําให้เรามีสติอยู่ในกายอันนี้มากมายถ้าเราเจริญสติเป็นไปในกายเรียกว่ากายยะคตาสติมีสติระลึกรู้อยู่ในกายเห็นกายตามความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติรู้อยู่ในกายอันนี้ มากขึ้นจนจิตของเรานั้นมีสมาธิมีความตั้งมั่นจ no so, ิตใจของเรานั้นมีสมาธิมีความมั่นคงเนี่ยก็จะทําให้เราไม่เห็นเฉพาะเพียงกายอย่างเดียวเพราะในร่างกายอันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่อาศัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือจิตใจของเราเพราะในกายของเราเนี่ยมีสิ่งที่อาศัยอยู่คือใจเพราะฉะนั้นกายกับใจเนี่ยมันอิงอาศัยอยู่ด้วยกันอยูอิงอาศัยอยู่ด้วยกันอร่างกายนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับเหมือน กระจกเงาไงโยมถ้าเรามองที่กายดูมากๆดูมีสติอยู่ในกายมากๆเนี่ยทําให้เราเรียกว่าเหมือนกับมองกระจกถ้าเรามองกระจกเราก็จะเห็นเงาตัวเองอยู่ในกระจกชั้นใดแต่ถ้าเรามีสติมารู้จักมองกายรู้จักดูกายบ่อยๆมีสติอยู่ในกายมากๆเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายทุกอรียบททุกขณะเนี่ยก็จะทําให้เราได้รู้จักมองเห็นจิตใจตัวเองในชัดเจนเหมือนกับเรามองเห็นเงาเองในกระจกไงโยม จะเริ่มเห็น <Award>. จิตใจตัวเองเออใจมาคิดอย่างนี้ใจมานึกอย่างนี้ใจมันปรุงแต่งอย่างนี้เราก็จะรู้จิตใจไปด้วยนี่ถ้าเรารู้กายมีสติอยู่ในกายเรียกว่าเห็นกายในกายถ้าเรามีสติดูจิตเห็นจิตในจิตรู้เห็นใจมานึกมาคิดอยู่ในกายอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเห็นจิตเห็นใจเห็นนามธรรมเห็นจิตใจตัวเองเพราะในองค์ประกอบของคนเราก็มีอยู่สองอย่างฉะนั้นเองที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็คือมีกายกับใจ <C ock> นั้นไอ้กายกับใจเนี่ยมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตใจเราเนี่เป็นที่ตั้งความยึดถืออย่างไรเพราะว่าใจเรานี่มันนึกมันคิด <C <ock> <c <oughs> ก็ดีใจมันเสวยอารมณ์ก็ดีใจมันรู้อารมณ์ก็ดีใจที่มันจำอะไรต่างๆได้ก็ดีี่ <C ock> มันเป็นอย่างเนี้ยเพราะนั้นเมื่อเราไม่ได้มาดูใจของเราเนี่ยน <C ock> มันก็ยึดถืออะไรยมยึดถือในความสุขยึดถือในความทุกข์ ยึดถือในความจํายึดถือในความคิดยึดถือในความรู้เพราะเราไม่ได้ดูสภาวะอารมณ์ของจิตนะไม่ได้ดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยเราก็ยึดถืออยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อเรามีความยึดถืออยู่ในานมามธรรมรุนจิตใจอย่างนี้เนี่ยเป็นไงโยมพออารมณ์ใจเกิดขึ้นมาเราก็ยึดไว้ถือไว้เมื่ออารมณ์นั้นแปรไปเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์ใจมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ท่านจึงไม่ให้มาดูใจโยมมาดูใจ เวลาใจมันนึกมันคิดขึ้มาก็ให้รู้มันเวลาใจมันรักก็ให้มันรู้มันเวลาใจมันชังก็้รู้มันเวลาใจมันโกรธก็ให้ดูมันเวลาใจมันชอบก็ดูมันใจไม่ชอบก็ดูมันใจมันสุขมันทุกข์ก็ดูมันเนี่ยเรียกว่าเป็นการรู้จักดูใจตัวเองถ้าเราดูมันเป็นเนี่ยก็จะเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์ของจิตใจของความเมื่อคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นมันตั้งอยู่แล้วก็จะเห็นมันดับไป เพราะสภาวะอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงของโรคที่มันมากระทบใจนรือใจปรุงแต่งขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันโยมมีความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้เพราะความไม่รู้ของจริงไม่รู้ความจริงนเนี่ยโยมเราถูกอวิชชาปิดบงังจิตเอาไว้ถูกความไม่รู้บดบังเอาไว้เนี่ยก็ทําให้เราหลงยึดหลงถือเวลาใจคิดอะไรขึ้นมาก็ยึดว่าใจเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นตัวฉันของฉันตัวเราของเรา ยึดเอาความคิดนั้นเข้ามาแบกเอาไว้ยึดถือเอาไว้ไม่ปล่อยไม่วางแล้วเราก็ทุกข์เพราะอารมณ์นั้นทุกข์เพราะความคิดนั้นทุกข์เพราะการปรุงแต่งตรงนั้นนะโยมเพราะฉนั้นในนักปฏิบัติธรรมผู้เจริญสติเนี่ยท่านจึงให้ดูโยมอะไรที่มันเกิดขึ้นในจิตใน ใ, นใจเน่ยให้ดูมันดูมันโยมเวลาที่มันรับอารมณ์เข้ามาเนี่ยก็ดูจิตดูใจตัวเองก็หมดรู้ใจตัวเองเนี่ยดูมันเถอะมันคิดมากคิดยาวคิดสั้นยังไงก็รู้จักดูมันบ้าง อย่าเอาสติปัญญานี่ไปเป็นกับมันเอาสติปัญญานี่มาเป็นผู้ดูมาเป็นผู้รู้มันแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสตัณหาหรือความทุกขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราไปแบกไปยึดถือไปสำคัญมันหมายว่าอารมณ์ต่างๆที่มนเกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเราไม่เห็นความเกิดไม่เห็นความดับไม่เห็นความเสื่อมไปไม่เห็นความที่มันสลายไปเนี่ยเราไม่ได้เห็น เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อที่ให้เราเกิดญาณญาณคือการยังรู้ญาณคือความกัหมดรู้ญาณคือความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกสติเนี่ยนะโยมเมื่อมันเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เองนะเริ่มเห็นเองว่าสภาวะของจิตใจเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นของเที่ยงแท้ที่หลังยั่งยืนนะให้ดูอารมณ์ดูความรู้สึกดูความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแต่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดทั้งวัน นั้นวันวันหนึ่งเนี่ยอาการเกิดดับมีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมชาติของอารมณ์ของสึกต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจมันก็ดับไปกับใจในระโยงมันดับเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นแต่ทอนี้เราไม่ได้ดูมันเราไม่รู้สึกกับมันเราไม่เห็นมันพอไม่เห็นเท่านั้นแหะโยมมันก็มีแต่เรื่องยึดเอาถือเอาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวฉันเป็นของฉันมันก็เลยตกอยู่ในภาวะของความหลงความไม่รู้สึกตัวเพะนั้นการเกริญัติ การปลุกสติหรือการสร้างสติให้เกิดขึ้นเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดยาน <c oughs> เกิดปัญญาเกิดวิปัสนาเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาคําว่ารู้แจ้งเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อใจมันเกิดขึ้นใจมาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสติปัญญานี่มันรู้มันเห็นอยู่เห็นการเกิดขึ้นเห็นการปรุงแต่งเห็นความทุกข์เห็นมันดับไปอย่างนี้แหละเห็นมาอยู่อย่างนี้เห็นเป็นประจํา เพราะนั้นเมื่อใจเราก็ทบอารมณ์ใดก็จะรู้สึกอยู่กับอารมณ์นั้นรู้เท่าทันอารมณ์นั้นนย่างเป็นแบบผู้มีปัญญาหรือมีญาณปัญญาเกิดแล้วจะทําให้ความทุกข์ที่มันเคยหมักหมมเคยมีมาแล้วนานเนี่ยที่เก็บเอาไว้ซ่อนไว้นี่ก็ดีมันจะค่อยหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปเพราะอะไรเพราะสติปัญญานี่มันสว่างไสวมันเจิดจ้าขึ้นมาในใจของเราแล้วเนี่ย พ, พุทธะเกิดแล้วภาวะแห่งการรู้ภาวะแห่งความตื่นตัว ภาวะแห่งความเบิกบานแจ่มใสมาเกิดขึ้นแล้วัวนนั้นอยากให้จิตของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเกิดได้อย่างไรจะเป็นหลักายุที่ว่าเราต้องเจริญสติเราต้องภาวนาอยู่อย่างนี้ะนระโยงต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้มากอาศาัยการกำหนดอรยาบทต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสื่อในการที่จะทําให้ภาวะของตัวสติเนี่ยรู้เกิดขึ้นมาเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญหรือเป็นองค์ธรรมสาคัญ หือเป็นแม่ทัพธรรมที่เป็นแนวหน้าจะทําให้เรารู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายอาที่มากระทบทางตาบ้างกระทบทางหูบ้างกระทบทางจมูกบ้างกระทบทางลิ้นบ้างกระทบทางกายบ้างกระทบทางใจบ้างเมื่อ <Me |fi|> มันมากระทบแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติได้อบรมได้ปฏิบัติได้ฝึกขัดก็ดีแล้วเนี่ยสติก็จะระลึกรู้เมื Me Me ่อรู้แล้วมันจะเป็นยังไงโยมเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยมันก็จะวาง รู้จักปล่อยอารมณ์รู้จักวางอารมณ์เห็นอะไรก็สักว่าเห็นได้ยินมันก็สักว่าได้ยินได้กลิ่นมันก็สักว่าได้กลิ่นได้รสมันก็สักว่าได้รสได้สัมผัสก็สักว่าสัมผัสได้นึกได้คิดอะไรขึ้นมาก็สักว่าความนึกความคิดเมื่อใจมันมีแต่สักว่ามันไม่มีความยินดีมีความเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงเกิดขึ้นความกำหนัดพอใจไม่พอใจมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยโลดใจมันรู้เท่าทันนะว่าถ้าจิตใจเรามันเกิดความยินดีเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของความยึดถือความอยากเป็นโลภะเป็นตันหาเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ทันรู้ในใจของเรามันเกิดความรู้สึกไม่ยินดีไม่พอใจเกิดความอึดอัดคับแค้นใจขึ้นมารู้วอ่อนี่ต้นกําเนิดของความทุกข์มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเหตุปัจจัยมันจะเกิดแล้วรู้ทันโยมพอแต่ใจมันนึกขึ้นมาทอนนั้นเลยโยมมันรู้ทันแล้วรู้ก่อนแล้วรู้แจ้งแล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าการรู้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้อะไรที่มันอยู่นอกตัวเรา พระพุทธองค์ก็ทรงชี้มาที่ตัวเราเนี่ยโยมชี้มาที่กายชี้มาที่ใจไม่ได้ชี้ไปอยู่ทั้งนอกเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของกายให้รู้ให้เข้าใจเรื่องของจิตใจเราเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้สิ่งสองสิ่งสองอย่างนี้เนี่ยตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตใจมันจะเกิดปัญญาจะเกิดญาณจะทำให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางมันจะไ่ทาให้ใจเราไม่ไม่หมกมุ่นอยกความโกรธ ไม่หมกมุ่นเสพอยู่กับความโลภความอยากไม่ลุ่มหลงอยู่กัยความเผลอความเพลินมัวเมาทั้งหลายใจเรามารืาา่รู้จกออกักถอดจักถอนรู้จกักออกรู้จกักหลุดจากพ้นออกจากอารมณ์เหล่า น, นั้นเนี่ยเพราะาเราต้องการให้จิตใจมันสงบจิตใจมีความสุขจิตใจมีความเป็นปกติก็ต้องมารู้จักในการที่จะระวังรักษาใจตัวเองทําอย่างไรเราถึงจะมีสติอยู่กันเนื้อกับตัวอย่างต่อนเนื่องก็อยู่ที่ความเพียรของเรานั่นแหละโยม ถ้าเรามีความเพียรมีความขยันหมั่นเอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างไม่ทิ้งไม่ปล่อยปะระวางการกระทําเนี่ยไม่เกียดครานเราขยันทําอยู่บ่อยๆมันก็เกิดเลยโยมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับ น, น้ําฝนนี่ยโยมเราลองเอาภาชนะไปตั้งไว้กลางแจ้งเอาองค์อากระถางกระทะอะไรก็ได้ไปตั้งไว้กลางแจ้งฝนตกมาบ่อยๆตกหยดใส่ภาชนะนั้นบ่อยๆทีละหยาดทีละหยด ตกนานๆเข้าเนี่ยภาชนะเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยน้ําฝนฉันใดไอ้ความรู้สึกตัวรู้สติสัมปชัญญะเราก็เหนีวเหมือนกันเมื่อเราหมั่นมาฝึกฝนหมั่นพยายามหมั่นประพฤติปฏิบัติกําหนดสติบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆทําให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้จิตของเรานั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยสติสัมปชัญญะทําให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณนะอารมณ์ใดๆที่มันจะสัมผัสก็ขึ้นทางใจก็รู้อยู่ตลอดเวลาเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันเสื่อมไป เห็นม <G holders> ันดับไปอยู่อย่างนี้นะโยมก็เรียกว่าเราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเห็นสภาวะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเพราะการรู้จักรูปว่าร่างกายนี้มีสติอยู่ในรูปอันนี้รู้จักนามคือความรู้สึกนึกคิดของจิตของใจที่มันปรากฏอยู่ปัจจุบันเนี่ยเนี่ยให้เรารู้เพียงเท่นี้ละโยมแรกๆเราก็ต้องไม่ต้องไปรู้อะไรมากเพียงแต่เอาเราสติมาอยู่กับความรู้สึกทางกายเท่านั้นละโยม กำหนดรู้กายอยู่เพียงแค่นี้เด้อมันก็จะเป็นไปเองเอาสติมาอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่การเหยียดการเหลียวซ้ายแลขวาการอ้าปากการกระพริบตาการหายใจเข้าหายใจออกให้เรามีสติอยู่กับปัจจบันธรรมเหล่านี้เป็นปกติเป็นชีวิตประจําวันของเราแล้วว่าเป็นการพอกคูนทําสิ่งที่ยังไม่รู้ให้มันรู้ขึ้นมาอย่างนี้ทําบ่อยๆ จเจริญบ่อยๆปฏิบัติบ่บอยๆ อ, อยู่ที่บ้านก็ทําอยู่ที่ไร่ที่นาหรือทำมายอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติกําหนดรู้อย่างนี้อยู่บ่อยๆนี่เลยโยมเป็นการพอกผูนหรือว่าเป็นการเจริญกุศลเป็นการสร้างบา ร, รมีธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะออกจากทุกข์เพื่อที่จะละทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนลยโยมนะห <นะ S 1> ากว่าเราไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นตัวเองแล้วเนี่ยไอ้ตัวของเราเองนี่เนี่ยจะเป็น สิ่งที่เราว่าเป็นบอกเกิดขึ้งความทุกข์อย่างมากมายแต่ถ้ารู้จิตรู้ใจตัวเองเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบสัมผัสตามความเป็นจริงรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตใจตามความเป็นจริงเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นความดับไปแห่งรูปและนามทั้งนี้จนมาเกิดความเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะมีเป็นกับมันทำให้จิตใจเรามันเกิดการถอดการถอน การปล่อยการวางได้เนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเรานี้มันอยู่อย่างพุท ธ, ธอยู่อย่างผู้รู้เพราะพุท ธ, ธจิตพุท ธ, ธใจเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนโยมพุท ธ, ธแปลว่าสภาวะจิตของเราเนี่ยตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาพุท ธ, ธะตื่นคาว่าตื่นนี่หมายถึงตื่นขึ้นมารับรู้ความเป็นจริงตื่นตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดรู้ตัดสั้ก็หมายถึงว่ารู้นี่แหละโยมรู้จิตรู้ใจเห็นอารมณ์เห็ น, หนกิเลสเห็น สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมานี่แหละโยมเพราะว่าธรรมชาติของใจของเราเนี่ยมันมีความเป็นปกติอยู่แล้วโดยโดยธรรมชาติเพราะในใจของเราเนี่ยภาวะของความเป็นปกตินัมนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้กำหนดรู้สภาวะตรงนี้เวลาอารมณ์มากระทบเราก็ปรุงแต่งใจก็เข้าไปปรุงแต่งทําให้เกิดรกักเกิดชังเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความโกรธความเกลียดความชอบไม่ชอบความยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ย เพราะเราไม่ได้ดูใจตัวเองถ้าเราดูแล้วเป็นองโยมโอ้มากระทบอารมณ์แล้วมันพอใจก็ดูมันพอใจโอ้นี่มันเกิดความพอใจก็ดูมันเฉยเฉยมันก็ดับไปตรงนั้นนลโยมเมื่อมันไม่พอใจก็ดูว่าโอ้นี่ใจมันไม่พอใจก็ดูมันนี่มันเกิดความยินดีชอบเอ้อดูมันเมื่อมันเกิดความไม่ยินดีไม่ชอบก็ดูมันอย่างนี้หลยโยมเห็นโยมเห็นถ้าดูแล้วต้องเห็นเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัจจะมันมีของจริงเกิดอยู่แล้ว เพราะว่าสิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่ถ้าเราไม่เอาสติเข้าไปดูไม่เอาสติกำหนดรู้ไม่อย่างรู้มันก็ไม่เห็นเหมือนกันก็ทําให้เราหลงอยู่นั่นละโยม เ, เพราะนั้นความหลงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เป็นปกติของปุถุชนเรามักจะหลงอยู่กับอารอมณ์หลงอยู่กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยหลงโยมเพราะนั้นที่เรามีความทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรเพราะเราหลงความหลงในความไม่รู้จริงความไม่เห็นแจ้งนี่หละโยมมันเป็นสิ่งที่ทําให้อยู่กับกองทุกข เพราะฉะนั้นเรามาเจริญสติตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเราจะได้สร้างภาวะของภาวะที่รู้ขึ้นมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาสร้างพุทธะขึ้นมาในาจิตในใจของเราให้ใจเราอยู่กับรู้รู้รู้อยู่ตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้ามากเข้ามากเข้าความไม่รู้ที่มันเคยมืดเคยปกคลุมจิตใจอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยอันตรทานค่อยจางไปค่อยคลายไปค่อยหายไปอย่างนี้แหละโยมมันเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่า ถ้าเราไม่อยู่กับตัวรู้เราก็อยู่กับตัวหลงมันเป็นของคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะความหลงมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้เป็นเหตุทําให้เกิดปัญญ า, าเกิดความรู้แจ้งโดยการประจักษ์แจ้งรู้แจ้งขึ้นมาทําให้เราปล่อยเราวางตราลดเราละได้เพราะฉะนั้นทําอย่างไรภาวะที่รู้หรือจิตที่รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อนเนื่องอยู่เรื่อยๆก็อยู่ที่เรื่องว่าต้องอาศัยความเพียรไม่ทิ้งไปจากความเพียรแล้วก็ความพยายามพอกบอกว่า วิเดเยณะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เนี่ยเพราะความเพียรทีนี้ความเพียรคืออะไรความเพียรเนี่ยมันมีอยู่เราอาจจะมีอยู่สองอย่างความเพียรข้างนอกก็หมายถึงว่าเราขยันยืนขยันเดิ น, ข ย, น, ดนขยันเปลีย่ยนรูปบบรู้สึกตัวบ่อยๆนี่เป็นการเพียรเจริญสติสัมปชัญญะประการหนึ่งแล้วก็ความเพียรประการที่สองก็หมายถึงว่าเราต้องมีสติดูจิตดูใจบ่อย ใจิตใจมันนึกอะไรขึ้นมาคิดอะไรขึ้นมาปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็รู้จักดูมันบ่อยๆกหบดรู้บ่อยๆนี่กบดรู้บ่อยๆนี่ก็เป็นความเพียรภายในถึงแม้เราไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้เดินจงกรมเรานั่งอยู่ที่ไหนๆก็ตามบนรถบนเรืออยู่ที่บ้านที่เรือนกําลังทําหน้าที่การงานอยู่เราก็มีสติระลึกรู้ดูใจอยู่บ่อยๆว่าใจมันคิดอะไรขึ้นมาปรุงแต่งอะไรขึ้นมาใจเป็นปกติไหมใจเราฟุ้งซ่านไหมใจเร า, เามีความ งุงงสงสัยหรือเปล่าเราดูสภาวะใจเราใจเราเศร้าหมองไหมใจเราผ่องแผ้วไหมใจเราเบิกบานไหมเราก็ดูอยู่ที่จิตใจอย่างเนี้หรือว่าเป็นความเพียรเหมือนกันโยมเป็นความเพียรภายใ น, นฉะนั้นความเพียรภายนอกก็ดีความเพียรภายในก็ดีก็เป็นความเพียรทั้งสองอย่างเพที่นั้นเราก็ไม่ทิ้งความเพียรภายนอกเราก็กำหนดอยบะไปเรื่อยๆกำหนดรู้กายไปบ่อยๆทางจิตใจเราก็เอาสติกำหนดรู้จิตรู้ใจบ่อยๆเห็นจิตเห็นใจบ่อยๆ ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติอยู่ทุกขณะทําให้ศีลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นศีนเนี่ยก็ยินได้ฟังบ่อยๆว่าคือความเป็นปกติจิตที่เป็นปกติวาจาที่เป็นปกติจิตใจที่เป็นปกติเนี่ยไอความเป็นปกติของกายของวาจาของใจเราเนี่ยเรียกว่ามันเป็นศีนนะโยมหมายถึงมันไม่มีสิ่งที่จะยั่วยุทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวาย กายเราก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปรักไม่ไปขโมยใครไม่ไปร่วงเกินใครไม่ไปพูดโหกหลอกลวงใครอย่างเนี้ยทางวาจาไม่พูดเท็จไม่ด่าใครไม่ไปพูดอะไรที่มันสิ่งที่มีก็เป็นปกติของกายของวาจาของมนุษย์เราที่จิตใจเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจเราเป็นปกติหมายถึงว่าใจเรามันไม่คิดโลกไม่คิดโกรธไม่คิดหลงจิตใจเรามีสจิตที่เป็นปกติผ่องใสอยู่เนี้ยศีลมันมีแล้วล่ะโยมในความสงบระงับ ทางกายทางวาจาของเรานมันเป็นศีลแล้วเมื่อศีลตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเมืจิตเราสงบระงับเป็นปกติมีความมั่นคงใจของคนเราถ้ามันมีสมาธิดีเนี่ยมันไม่หวั่นไหวลรืโยงอารมณ์ใดๆมันมากระทบมันก็ระลึกรู้มันก็เป็นปกติมันไม่หวั่นไหวไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับรมต่างๆอะไรมากระทบก็คงมีความมั่นคงอยู่อย่างนั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นมีสติรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นนี่ยมันเป็นสมาธิ หมายถึงใจมันไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่เกิดอารมณ์ต่างๆมา <c oughs> แทรกแซงทําให้คุนมัวเศร้าหมองนี่ก็เรียกว่ามันมีสมาธิเลยโยมทีนี้ถ้ามันมีปัญญาจะเป็นยังไงใจที่มันมีปัญญาก็หมายถึงว่ามันรอบรู้โยมรอบรู้รอบรู้อารมณ์ความคิดต่างๆรอบรู้ในเรื่องกายรอบรู้ในเรื่องจิตเรื่องใจตัวเองรอบรู้เรื่องของอารมณ์อทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย อารมณ์ใดๆมากระทบใจขึ้นมาก็รู้เท่ารู้ทันเห็นสังขารเห็นการปรุงการแต่งของจิตของใจเพราะว่าสังขารนี่หมายถึงการปรุงอลยโยมใจที่เรานึกคิดอะเรียกว่าสังขารภาษาพระขณะที่ใจเรามันก็รับอารมณ์เข้ามาเนี่มันนึกมันคิดปรุงแต่งทําให้ความเอ่อเรียกว่าพระความชังความโกรธความเกลียดนี้เกิดขึ้นมาแล้วแราวสังขารมันปรุงถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรเลยโยมใจเราก็เป็นธรรมชาติของธาตุรู้อยู่อย่างนั้น ถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งก็มีสภาวะเป็นธาตุรู้อยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นชังเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นอิจฉาพยาบาทแล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วโยมปรุงแต่งขึ้นมาแล้วใจเรามันสร้างขึ้นมาแล้วสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ เรียกว่าใจเรานี่ถ้ามันปรุงอยู่อย่างนี้เลยโยมมันก็ไม่พ้นทุกข์เลยโยมแล้วว่าติดอยู่ในสังขารเพราะสังขารความนึกคิดภายในจิตใจเราเนี่ยเป็นสังขารภายในสังขารร่างกายที่มันแก่มันเจ็บมันตายเนี่ยมัเป็นสังขารร่างกายเป็นสังขารภายนอกความนึกคิดเป็นสังขารภายในนั้นการรอบรู้ในกองสังขารก็คือรู้เรื่องกายเป็นตามความเป็นจริงรู้เรื่องความนึกความคิดที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยตามความเป็นจริงไม่หลงไม่ยึดไม่ติดรู้เท่ารู้ทันรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วาง อย่างนี้ก็เลยว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่รู้จักออกจากทุกโยมจิตใจของเรามันจะรับอารมณ์ใดเข้ามาก็รู้แจง้งเห็นจริงรู้เท่ารู้ทันอย่างนี้มันปล่อยบ่อยๆวางบ่อยๆมันก็สบายโยมคนไหนที่ชอบแบกอารมณ์ใครว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ชอบแบกชอบยึดถือก็แบกทุกข์เลยนะโยมเพรานะาคนเราเนี่ยถ้าหากว่ารู้ปล่อยรู้วางมันก็เบาสบายถ้าเป็นผู้แบกผู้ถืออยู่มันก็เป็นผู้หนักคนแบกโลก แบกโลกเลยมันก็หนักทั้งวันคนที่ปล่อยวางโลกกลัมาที่ว่าวางอารมณ์วางความรู้สึกต่างๆลงเสียให้จิตใจอยู่ด้วยความว่างให้จิตใจอยู่ด้วยความเบาให้จิตใจที่มันอยู่ด้วยความสะอาดความสว่างความสงบความเย็นเนี่ยเรียกว่าเราเป็นผู้ปล่อยผู้วางออกความเป็นปกติของจิตใจก็จะมีมากขึ้นสงบเย็นมากขึ้นตรง น, นี้แหละโยมจิตใจจะไม่มีทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็มีปีติหล่อเลี้ยงอยู่มีความสงบ มีความสุขอยู่ตลอดเวลานั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคือใจมันไม่ได้ไปแบกอะไรเห็นอะไรมันก็เป็นอนิจจังไปหมดเห็นอะไรมันก็เป็นทุกขังไปหมดเห็นอะไรมันก็เป็นอนัตตาไปหมดมองสิ่งแวดล้อมตัวเราก็เห็นแต่สิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามองในตัวเราก็มีแต่สิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาอยู่ปรากฏอยู่ทุกขลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติปัญญาที่ อยู่ด้วยความรู้แจ้งอยู่ด้วยความรู้จริงนะรู้ปล่อยรู้ว่างรู้ว่าอะไรมาคือทุกโยมเห็นให้เห็นมันความเป็นจริงของมันว่าอะไรมาคือทุกรู้ว่าอะไรมันเป็นเหตุทําให้เกิดทุกรู้ว่าความดับทุกันดับอย่างไรรู้การปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไร <het CL OS UR> ทุกถึงจะดับนี่เลยว่าเห็นสัจธรรมเห็นความจริงเพราะฉะนั้นกำหนดรู้กา ย, ยนี่แหละโยมเห็น Bose, กำหนดรู้อยาบดนั่นแหละ แล้วว่าจะเห็นทุกข์ระโยมวันวันหนึ่งเนี่ยเดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เคลื่อนไหวอยู่ก็ทุกข์ทำากินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เลยเห็นทุกข์ระโยมไม่เห็มันเห็นเห็นอริยบทที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นไหวอยู่นั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าตัวอริยบทนี่แหะมันบังทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มากําหนดอริยบทกําหนดความรู้สึกตัวในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนถ้าเราลุกขึ้นเราไม่ได้กําหนดเนี่ยแล้วว่าเราขาดสติแล้วเราไม่มีสติกหนดรู้เพรนั้นก่อนจะลุกกำหนดรู้ก่อนโอนี่ทุกข์น ทุกบันบังคับแล้ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเนี่ยให้เราเห็นว่าตัวอริยบทเนี่ยมันบังทุกเพราะนั้นเราสติบังหน้าอริยบทเราก็จะเห็นทุกปรากฏตามความเป็นจริงไม่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จังนะเห็นอันนี้จังเห็นความไม่เที่ยงเห็นมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอความเห็นอย่างนี้แเรามาทําให้เรามีสติอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาดูอย่างนี้เชื่อว่าสิ่งที่มันบังสิ่งที่ไม่มีบังบังอนัตตาเนี่ยนะ ก็รูว่าความเห็นร่างกายเนี่ยเป็นรุ่นเป็นก้อนเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นจิตมันนึกมาคิดเนี่ยเป็นตัวเป็นตนถ้าเราเห็นอย่างนี้หรือว่ามันเห็นแบบอัตตาตัวตนแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้นะเป็นอนัตตาหมายถึงว่าไม่มีตัวตนมีแต่ร่างกายที่มันเป็นอนิจจังผุกคลังอนัตตาเห็นว่าร่างกายนี้สักว่าธาตุสักว่าธรรมเนี่ยเราแม้แตยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรแต่ยึดมั่นเมื่อไหรก็มีตัวตนเกิดขึ้นมานั้นตัวตนนี้เป็นความรู้สึกเข้ายึดถือเฉย แต่ร่างกายก็เป็นรูปอยู่อย่างนั้นจิตใจก็เป็นนามอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเรามายึดมันก็ไม่เป็นยึดเมื่อไหร่ตัวตนก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉั้นตัวตนจึงคือความรู้สึกที่เขาไปยึดถือนั่นแหละเรียกว่าตัวเราของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ละตัวตนก็คือไม่ยึดไม่ถือนั่นแหละโยมถ้ามันเห็นแล้วมันก็ค่อยปล่อยเองแหละโยมเห็นความทุกข์เห็นอนนี้จังทหน้าตาแล้วเมื่เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วมันก็ปล่อยวางเข้ามันนั่นคือสภาวะของอาการปฏิิบัตรรรมออยยยููู่่่ที้ภาใน ฉะนั้นก็ขอโยมลงเจริญธรรมแบบนี้แหละโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆกำหนดรูปนามนี่แหละอยู่ตลอดเวลาเอาความรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันนี่แหละปฏิบัติให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสังเกต ด, สกตดูสังเกตดูกายของเราตัวร่างกายนะี่สังเกตดูจิตใจก็พยายามสังเกตอเึกรูกด้ดูดูจิตใจบ้างดูร่างกายบ้างให้เห็นตามขั้นตนการที่มันเกิดขึ้นมันเสื่อมไปอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกำหนดเอารูปนามเป็นอารมณ์ เอาความรู้สึกตัวปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้ถ้าเราอยู่กับปัจบันธรรมอยู่ทุกขณะทุกขณะไม่ปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไม่ปล่อยให้ใจนี่มันวุ่นวายไปกับอารมณ์การปรุงแต่งไม่ปล่อย ใ, ใจมาคิดอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่ปล่อยให้ใจมันไปรุ่มหลงอยู่กับเรื่องเหล่านี้ ก, ก็จะเป็นเหตุทํำให้เรารู้ปัจจุบันธรรมเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรก็น้อมมาดูจิตดูใจตัวเองน้อมมาอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันธรรมก็จะทําให้เราเห็น จิตเห็นใจเห็นสิ care, ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์เห็นความไม <us eles> Reagan, waren, ่สบายเห็นความสบายมันเกิดขึ้นก็จะเห็นตามความเป็นจริงสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอุเบกขาความวางเฉยของเวทนาก็ไม่เที่ยงก็จะเห็นนะเห็นความคิดนึกต่างๆที่มาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงก็เห็นสภาพธรรมอย่างนี้เละโยกเป็นการเห็นธรรมะในตัวเราของเราดังนั้นวันนี้ก็ได้กล่าวธรรมเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจกับญาติโยมมาในถ้ำกลางสายฝน ก็คงจะเห็นข้อคงจะเป็นประโยชน์ในการเตืนติบ้างลเล็กน้อ ย, อยอท่านเหล่าใดที่ยังไม่รู้ก็พยายามทํากันต่อไปท่านใดรู้แล้วก็พยายามพอกทูลทาความรู้สึกตัวให้มากอย่าให้ปลจิตใจมันเลื่อนไหลไปกับเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ต้องห่วงใยอะไรเอาจิตใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับตัวเองก็จะทําให้เรานั้นอยู่กับธรรมะตลอดทั้งวันทั้งคืนดังนั้นก็ขอให้าการปฏิบัติของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการนะ พ้นทุกหมดทุกสิ้นทุกในปัจจุบันาชาตินี้และขอขอให้อ้างอิงถึงอํานาจแห่งบุญกุศลกุญางามความดีอธิทฐานทั้งหลายได้มีเจตนามีความตั้งใจมาทําบุญกุศลโดยการมาเจริญศีลนักษาศีลการมาเจริญสติ <c oughs> มาฝึกสติและการเจริญภาวนาขอขอให้บุญกุศลที่เราเจตนาตั้งใจเหล่านี้จงรวมมาเป็นสบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยส่งผลสนับสนุนให้ท่านทั้งหลาย จงเกิดยานปัญญาเกิดสติสัมปชัญญะรู้แจ้งเห็นจริงเห็นธรรมเห็นความทุกข์ตามความเป็นจริงเห็นเหตุเกิดทุกข์ตามความเป็นจริงเห็นความดับไปไม่เหลืออย่างความทุกข์ตามความเป็นจริงและก็เห็นการประพฤติปฏิบัติมักค้นทางการนำความรู้สึกตัวนี้ตามความเป็นจริงขอให้เราจงได้ประสบพบเห็นในปัจจุบันอาชาตินี้โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน